เมื่อเคยสินหูเรามันก็เลยไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าอจมาก็จะพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละจุดหมายปลายทางมันแต่คำพูดนั้นบางทีก็เปลี่ยนไปบ้างบางทีก็จำได้คำพูด เดิมๆไม่เหมือนกับเราพูดน้โมตสะอันหนโมตสาในี่ใครพูดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น <c oughs> แต่คำพูดเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะนั่นไม่เหมือนกันแต่คนไหนถนัดเรื่องใดก็นำเรื่องนั้นมาพูดสำหรับตัวของอาตมาหรือตัวของผมคิดว่าทุกคนทำได้อย่างนี้ มันก็เลยคิดเห็นแต่เรื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจนี่เป็นของจริงทางอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคสี่พอดแม้จะไปพูดที่ไหนท่านก็ต้องพูดเรื่องอริยสัจสี่ทงนั้นพระพุทธเจ้าของเรา <Yeah. S 1> แต่ท่านพูดบางทีก็พูดเรื่องทุกบางทีก็พูดเรื่องปฏิจจสมประบาทบางทีท่านก็พูดเรื่องอริยสัจ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 คนเราทุกคนมันต้องมีความผิดพ่าบ้างมีผิดบ้างถูกบ้างการกระทำมานั่นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดคาว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดนี่มันทุกคนต้องทำผิดมาไม่ใช่จะถูกทั้งหมดเลยมันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างความผิดเราจดจำเอาไว้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 เป็นบทเรียนของพระ อ, องค์มากที่สุดเมื่อพระ อ, องค์ตัดรู้แล้วเป็นพาาระละหันออกมาใหม่ๆยังไม่เคยแท้เคยสอนใครทั้งหมดเลยมาพบเอากับอุปการีวกคนนพระ อ, องค์ก็พูดให้ฟังตามตรงอุปการศวกคนนั้นก็เลยฟังไม่ได้แต่อุปการีวกคนนั้นสแสวงหาพระพุทธเจ้าสแสวงฟังธรรมะจากสตัตบุรุร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 ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเรารู้เองเห็นเองเข้าใ่เอง น, นักบวชคนนั้นรืออุปกาตสิบกคผลนั่นก็ได้แต่แลบลิ้นเท่านั้นเองนี่อันนี้แสดงว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดดังนั้นคนผู้ที่มีปัญญามากต้องพูดความข้อ ม, อมแต่ตัวอาตมาไม่มีปัญญาก็พูดให้ฟังอย่างที่ตัวเองเคยประสบพบเห็นหมานั่นเอง ดังนั้นความผิดพลาดนั้นจึงมีมากทุกคนแม้เส้นทํานาทําสวนก็ยังมีความผิดเช่นเดียวกันพูดคงว่าทานอาหารทุกวันทุกวันก็ยังยังมีความผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดฟันของเรามันขบลิ้นเราก็ยังได้บางทีกินอาหารเข้าไปกล้ามันปักคอแล้วก็ได้เพราะความผิดพลาดทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาธรรมศึกษารอบด้านได้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 ตัวอาตามาหรือตัวของผมมีอย่างนี้จึงเอาความจริงมาเล่าให้ฟังอันเนี้ยทุกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกต้องกําหนดรู้เนี่ยสมุทัยทำให้ทุกเกิดเนี่ยเราพูดกันได้แต่ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ต้องกําหนดรู้อันนี้ก็เป็นธรรมดาบัดนี้ทุกมันไปยึดไปถือนะั่นเราไม่รู้มันเลยเราไม่ได้กําหนดมันมีแต่เพียงมันทุกแล้วก็คิดอยากไปเอาชนะมันทันทีเลยเนี่ย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 อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนสมุทัยทําให้ทุกเกิดตัวคิดเป็นตัวสมุทัยมันเป็นแม่เหล็กกนิดหนึ่งเรียกว่าอูปาทานดังนั้นเคยพูดกันไว้ฆ่าแม่เหล็กนี่เสียซะฆ่าแม่เหล็กนี้เสียสาให้มันหมดไปแล้วแบบนี้มีเหล็กเราดึงแม่เหล็กไปเหล็กเศษเหล็กเหลือมันจะไม่ดึงเข้ามาเลยวันนี้เราไม่ได้เอาแม่เหล็กนี้ไปฆ่าหรือไม่เอาไปสโลมยาดึงแม่เหล็กนี้ไป เหล็กเศษเล็กเหลืออยู่ที่ไหนมันจะเข้าไปติดไปติดแล้วก็ดึงไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอภาลาหาเวปันจาคมันเป็นภาษาบาลีขันทั้งห้าเป็นของหนักเนินะภาลาหาโลจปุคโลผู้คลผู้แบกของหนักพาไปคนเราทุกคนมันแบกภาละหนักจริงๆแต่ภาละเรื่องขันทห้าลูก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 เคยคิดเอาไว้นี่แหละการทําบุญก็ไม่รู้จากบุญเมื่อไม่รู้จากบุญแล้วจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้แต่เราทําบุญอยู่แต่สร้างบาปกรรมขึ้นมาเนี่เป็นอย่างนั้นเคยพูดให้ฟังครั้งหนึ่งทํามหากรถินเนี่ยไปถวายพระแต่แม่บ้านพูดให้ไม่พอใจเลยตกเย็นมาพูดกับแม่บ้านแม่บ้านเขาบอกโอ้ ทำไมตกนรกแล้วนะ่วนะขวายะเนี่ยมันเป็นของจริงเราคิดว่าจะพูดกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ดูที่ตัวของเราเขาไม่ตกด้วยขวายนะนี่เนะี่ยทำบุญก็ยังเป็นบาปอยู่เมื่อไม่รู้จากบุญเอาบุญไม่ได้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละบุคคลที่มาสอนเราเรื่องนี้นะเจ้าถึงเขาจะมีอายุน้อยก็าตามถึงเขาจะไม่มีความรู้ก็าตามถ้าเขาพูดผูกแล้วควรที่จะเอามาศึกษาตัวเรา ข่าวนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นภรรยาก็ได้เป็นเมียก็ได้นะแต่อาตมารับฟังทีเดียวโอ้หนี่ทุกแล้วแม้เราทุกคนเดียวเขาไม่ได้ทุกในเราเนี่ยทุกเราตกนรกถังเป็นแต่เราไม่รู้นรกจะหลีกนรกได้ไหมหลีกไม่ได้แต่เราไม่รู้จักบุญจะเอาบุญได้ไหมเอาไม่ได้แต่เพียงว่าเราทําบุญนั่นเองมันเป็นซื้อของบุคคลที่ไม่มีทุกเท่านั้นเองตั้งแต่บัตรนั้นมา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 อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องแรกแต่ว่าต้องทําบ่อยๆนะเราต้องไปประสบการณ์มันบ่อยๆพอเด็มันคิดขึ้นมาไม่พอใจเราเขาต้องมาดูใจเราแต่เมื่อเรามาดูใจเราก่อนเสียแล้วคนที่พูดให้เราไม่พอใจมันไม่เข้ามาใกล้เลยมันเป็นสโลมเรียกว่าเอายามาสโลมไว้ก่อนเหมือนกับที่ว่าเอายามาสโลมเนื้อเราไว้ปิง้งมันจะไม่ติดเราเลย ถ้าเราไม่มียากันมันปิงมันจะเข้ามาดูดเอาเนื้อเราจริงๆดังนั้นความยึดคมถือเนี่ยสําคัญที่สุดที่อาตมานํามาพูดให้ฟังอันนี้เป็นญาปากคอกถ้าหากไม่รู้เรื่องนี้แล้วจะไม่มีวิธีแก้ได้เลยแม้จะทําบุญให้ทานก็ทําได้แต่ยังไม่รู้เข้าใจว่าบุญนั้นคืออะไรบุญคือสลัดสิ่งนี้ได้นั่นแหละบุญแทๆ้ๆ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 บาปมากที่สุดคือเราไม่รู้วิธีแก้ตัวนี้นี่เองใครพูดอะไรเข้ามามันมืดตรบเรียกว่าปีศาจนี่ว่าพญามารเขาได้ถ้าหากว่าเราทำทีเดียวมันเสร็จไม่ไม่เสร็จเลยเพราะมันรอบด้านเราอยู่เสมอเนี่ยมันรอบด้านเราศึกษาธรรมะกับธรรมชาติเนจริงๆเมื่อเรารู้จักรอบด้านเราแล้วเราก็เห็นเห็นสิ่งที่พอใจ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 เราก็ทุกข์อีกแล้วนี่เสิงเง น, นะบัด น, นี้เมื่อเราเอาของสิ่งเนี้สิ่งที่เราชอบใจให้คนนั้นคนนั้นมันรับไปแล้วก็พอใจทุกทั้งสองอย่างเลยให้เขาใจทุกทั้งสองอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านวางเป็นการกางเมื่อเราต้องการเอาของสิ่งนี้ให้คนนั้นเนี่ยเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะเราให้เสรยให้เปล่าเปล่าให้โดยไม่คิดมูลค่าอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ ตามปกติหรือผู้ที่ไม่มีปัญญาเรียกว่าปุถุสูตรนั่นเองเมื่อเร า, เอาของสิ่งนี้ให้คนเราชอบกับสิ่งนี้แหละเอาของสิ่งนี้คนนี้เมื่อคนได้นไม่รับเสียใจแล้วนี่เสียใจแล้วเป็นทุกข์เลยบัดนี้บัด น, นี้เราเอาของสิ่งที่ไม่พอใจนะ่ะให้เขาเขาก็ไม่เอากระทุกอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นดังนั้นคําพูดหรือว่าเขาทําอะไรให้เราทุก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 แต่พระเดียะเจ้าก็มีเหมือนกันแต่พระเดียเจ้าท่านฝึกหัดดัดนิสัยได้ท่านรู้จักวิธีกลไกและเทคนิคของมันรู้จักวิธีเอัสนะได้เท่านนเองดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเราสอนเราสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอี ก, อออกให้ทุกคนพยายามดูใจทันวนันเราก็เรียกว่าสติคม ล, ลึกได้พวกเรามาพูดกันที่นี่ให้รู้สึกตัว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 ตัวสมุทัยเนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างอืมันมีทั้งหมดเลยมันไปจับเอาสิ่งใดมาแต่มันไม่ได้จับด้วยมือเพราะมันไปยึดเข้ามาอาตมาเคยทําให้ดูมือล็อกเปล่าๆ เ, าเานี่ยเอาเหรียญวางใสมือคั้วมลงอะมรอย่างนี้มันหล่นเลยทีเดียวบัด น, นี้คนที่ยังไม่สลดนะัดเอาเหรียญวางมันยัจับอย่างนี้มันไม่วางเลยเพราะตัวนั้นมันยึดมันถือดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้ว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 บุญหมดแล้วเปรียบให้ฟังหลายครั้งหลายหนเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยไม่มีที่ตาหนิแล้วก็มีน้ำมันเสื้อเพลิงสาบลงไปมีไม่แคดก้านเดียวจุดเป็นไฟขีดเป็นไฟแล้วเอาไฟไปติดน้ำมันเสื้อเพลิงไฟจะไหม้บ้านหลังนั้นสุดเสร็จเลยเมื่อไฟไหม้บ้านหลังนั้นเสร็จแล้วจะอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่ได้แดดออกไปอยู่ที่นั่นก็ขารยมันเป็นเท้าขึ้นมา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 แต่เรายัางไม่รู้จักวิธีดังนั้นจึงให้ทำวิธีการเคลื่อนไหวของตัวเราอย่างนี้แต่ตัวจิตใจนั้นเราจะไปเคลื่อนไหวมันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเรามาเคลื่อนไหวตัวนี้เราทําได้พอเรารู้สึกตัวนี้กำไรมันว่าเรารู้สึกตัวจิตใจมันคิดขึ้นมาเราก็รู้ได้เมื่อเราไม่รู้สึกตัวนี้แล้วเราไปอยู่กับจิตใจ ม, มันคิดมันก็ลากเราไปทันทีเลยนี่ตัวสมุทัยทําให้ทุกเกิด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 ทำให้แก้งก็เพราเราเคยทำํำโอมเคยสินคล้องมันโอมมันมาอย่างนี้มันมาทางหูบ้างมาทางตาบ้างมาทางไหนก็ตามและมันจะเข้ามาทุกด้านทีเดียวดังนั้นหรือปีศาจมันรอบตัวของเราหรือกิเลสมันรอบตัวของเราหรือของสิ่งที่ซวยร้ายเนี่ยมันลอบตัวของเราเมื่อเราปล่อยตัวเมื่อใดมันถลําเข้าไปในทิชช่ว์เมื่อนั้นเมื่อเราปล่อยใจเมื่อใดมันถลําเข้าไปในที่ชั่ววันนั้น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 มาพูดโกหกวอกลวงญาติโยมเพื่อนภิกษุษสามเณรแม้ตัวเองยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจได้จะไปสอนคนอื่นได้ทําไมดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นและแนะนําคนอื่นนั้นตัวเองทําให้ถูกต้องแน่ครองแพร่สํสนานิสํานานคนอื่นก็ทําได้ถ้าหากเราทําไม่เป็นแล้วจะไปสอนคนอื่นตัวเองก็ทําไม่ได้ยังไงเขาเรียกว่าคนอวดดี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 เมื่อเรายังหยุดสิ่งนี้ไม่ได้กดแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเ <P ew> พราะเรายังไม่รู้นี่เมื่อเรารู้แล้วจะไปหาทําไมครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนใครเอาให้เราไม่ได้ <P ew> เพียงแต่ท่านแนะแนววิธีให้ทำเท่านั้นเอง <P ew> ดังนั้นวิธีที่อาตมาพูดนี้ <P ew> คนใดทําได้ก็ถือว่านั่นแหละคือบุคคลที่เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ได้หรือบุคคลที่เข้าไปใกล้ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นภาะสงฆ์องค์เจ้าก็ตามถือาศาสนาไหนก็ตามแปลว่าพวกเขาไปใกล้ความสงบเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าคือความสงบนั่นแหละไม่มีตัวไม่มีตนท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินเมื่อพระวัคคะลิกไปมองพระพุทธเจ้าอันลูป ก, กายของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า คือตัวความสงบน้นพระพรุทธเจ้าข้างหนึ่งองค์ณเดชมหารตามลาตามผาน